จากนี้ไปเขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายสดับรับฟังการบรรยายธรรมก่อนฉันเรื่องศรัทธาที่ควรเพิ่มโดยสมณะสิริเตโชเมื่อวันที่25มกราคม2540นพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้นะบัดนี้ นี้เป็นปีที่พ่อท่านจะเน้นให้ทางสันติอโศกเราเนี่ยในเรื่องของศรัทธานะวันนี้อาตมาก็เลยคิดว่าจะเอาเรื่องผลบุญแห่งศรัทธานะเป็นชื่อเรื่องที่จะม า, าแสดงทําให้กับพวกเราฟังขึ้นชื่อว่าศรัทธาเนี่ยถ้าโดยทั่วไปความหมายอาตมาว่า มันกว้างนะมันมีหลายหลายอย่างบางทีคาว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยบางคนก็เข้าใจเป็นความเลื่อมใสก็ได้นะเป็นความเคารพเป็นการเชื่อฟังเป็นการเชื่อมั่นนะในทํานองแนวเนี้ยเราถือว่าเป็นศรัท ธ, ธาทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าปกติแล้วศรัท ธ, ธาเนี่ยที่ ไม่ว่าใครต่อใครเขาก็มักจะพูดกันว่าอ้าวฉันศรัทธานู่นนะฉันศรัทธานี่นะฉันศรัทธาผู้นั้นนะศรัทธาผู้นี้นะคือจริงๆแล้วมันมันปนเปกันไปหมดนะเพราะว่าจริงๆคําว่าศรัทธามันก็กลางกลมันไม่ได้หมายถึงว่าดีหรือว่าหมายถึงว่าเลวถ้าสมมุติว่าเราพูดแบบกลางกงมันก็มันก็ปนกันไปหมดแต่จริงๆแล้วถ้าในทางของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราใช้คําว่าศรัทธานี่ เราต้องหมายถึงโน้มมาในทางที่ดีเลยนะจะต้องมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเลื่อมใสมีความเคารพมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องตรงธรรมนะตรงศีลสิ่งเหล่านี้ถึงจะเอามาใช้ว่าศรัทธาในของพุทธศาสนาที่แท้จริงถ้ามาอย่างนั้นแล้วเนี่ยทั่วๆไปที่เขาใช้ว่าศรัทธาเนี่ยอาจจะเป็นศรัทธาที่ มิจฉาทิฏฐิหรือศรัทธาที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะอย่างเช่นอธิมายเยอตัวอย่างอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะไปศรัทธาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะไปศรัทธาจอมปลวกไปศรัทธาแม้แต่เตา่าหรือว่าสัตว์ประหลาดนะที่บางทีคลอดลูกออกมาแล้วก็มีลักษณะมีรูปร่างอะไรแปลกๆประหลาดบางทีเาก็ศรัทธาถึงขั้นเคารพ ถึงขั้นไปจุดธูปเทียนบูชากราบไหว้เขาก็ศรัทธาศรัทธาจริงๆนะแต่ศรัทธาอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องกับของพุทธศาสนาและไม่ถูกตรงกับคำสอนที่พู้เจ้าเนี่ยท่านต้องการให้พุทธศาสนิกชนนะเชื่อมั่นในทางที่ถูกต้องอย่างของพุทธเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาจมาว่าเป็นแง่คิดที่บางทีเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของ ศรัทธาให้มากขึ้นโดยเฉพาะบางทีท่านก็ใช้คําว่าอให้ศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ศรัทธาในศีลที่เราประพฤติปฏิบัตินะซึ่งสิ่งเหล่านี้พระเจ้าท่านจะสอนท่านจะพานําแล้วท่านก็นะจะอะไรไม่เพียงแต่สอนแม้แต่การที่จะบันทึกลงในพระไตรปิฎกหรือว่าการที่สาวกต่างๆเนี่ยจะจดจําคําสอนนั้น เอามาบอกกล่าวเอามาเล่าต่อให้กับผู้ที่เคารพศรัทธาต่างๆเนี่ยได้รับทราบแล้วก็เอาไปประพฤติเอาไปไปปฏิบัติต่างๆเพราะนั้นก่อนอื่นเนี่ยาอตาตมาก็ต้องมานิยามว่าศรัทธาในของพุทธศาสนาเนี่ยที่เราเคารพเราเชื่อมั่นเราเชื่อฟังนี่จะต้องมีข้อแม้ว่าต้องเป็นสัมมาทิฏฐินะต้องถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ถือว่าศรัทธา นะแม้แต่คราวนี้อย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะไปศรัทธาในตัวบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ต่อให้นะคราวนี้อาตมาต่อให้ว่าบุคคล น, นั้นอาจจะนุ่งหม่มนาะจีวกรก็ตามหรือว่านุ่มหม่มผ้าคลองหรือว่ า, านุ่มหม่มที่ให้เห็นว่าเป็นเพศนักบวชให้เป็นเพศที่ว่ า, าได้ลดละกิเลสหรือว่าได้ปฏิบัติตนเพื่อที่จะให้จิต บัญญาตเนี่ยสูงขึ้นหรือพัฒนาขึ้นก็ตามแม้อย่างนั้นเน่ยเราไปศรัทธาแต่พฤติกรรมและการกระทําจริงๆของบุคคล น, นั้นน่ยถูกต้องหรือเปล่านะเ ป, นปาารรเป็นไปตามสัจธรรมเป็นไปตามศีลเป็นไปตามธรรมวินัยหรือเปล่าเอาถ้าถูกต้องจริงตรงจริงโดยเฉพาะยิ่งเป็นพระในพุทธศาสนาหรือเป็นบักนักบวชนะที่ปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ย นะยิ่งเราไปเคารพศรัทธาเราไปเลื่อมใสเนี่ยเราก็ยั่งดูถึงพฤติกรรมด้วยนะดูถึงการกระทํำดูถึงกายกรรมวจีกรรมของท่านด้วยว่าที่ท่านประพฤติปฏิบัติเนี่ยเออมันเป็นไปตามศีลตามวินยัยที่พุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดเอาไว้ดีแล้วหรือเปล่าเพราะอันนี้เราจะต้องอะไรอ่ะเข้าไปเหมือนกับไปขอบคุณ้ณเหมือนกับไป เข้าใกล้เหมือนกับไปฟังนะไปพิจารณาไปตรวจสอบด้วยนะไม่ใช่ว่าเพียงแค่ท่านเป็นพระหรือท่านเป็นนักบวชเราก็ศรัท ธ, ธาแล้วถ้าอย่างนั้น่ะเราอาจจะเป็นศรัท ธ, ธาแบบงมงายก็ได้นะโดยที่ไม่รู้ละถ้าเป็นอย่างยี่มาเราก็เชื่อว่าทันดีไปเลยนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าแม้แต่โจรเราเรียกว่าโจร น, นะ จนในคราบของนักบวชก็มีเยอะแยะไปมีมากปายไ ป, ไปนะเพราะฉนะนั้นใครเนี่ยไปศรัทธาเอาแต่เปลือกเปลือกโดยที่เราไม่พยายามเนี่ยดูให้ถึงเนื้อแท้ไม่พยายามเข้าให้ถึงแกนของสาระจริงๆแล้วศรัทธาเราก็อาจจะกลายเป็นศรัทธาที่ล้มเหลวนะกลายเป็นศรัทธาที่แทนที่จะสั่งสมแล้วทำให้เราเนี่ยยิ่งเกิดบุญยิ่งเกิดกุศลยิ่งมีความเชื่อมั่น ยิ่งมีการประพฤติที่สูงขึ้นเจริญขึ้นไม่เลยมันกลับจะกลายเป็นว่าเรายิ่งศรัทธาเราก็เหมือนยิ่งโดนหลอกนะยิ่งกลายเป็นคนที่หลงทิศผิดทางยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งได้บาปหรือว่ายิ่งได้นรกก็มีมาแล้วเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธเนี่ยพระเจ้าถึงได้ตัดเอาไว้เลยว่าจะต้องมีปัญญาประกอบด้วยนะแม้แต่ศรัทธาเนี่ยเราก็ต้องมีปัญญาประกอบด้วย แล้วปัญญานั้นก็ต้องเป็นญาที่เราเป็นปัญญาที่เราจะต้องศึกษานะเรียนรู้นะ่าต้องสามารถที่จะรู้ผิดรู้ถูกสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าเออนี่ควรนี่ไม่ควรจนทั่งเรารู้สัจจะรู้ความเป็นจริงให้ได้ในที่สุดด้วยนะซึ่งถ้าใครศรัทธาตรงที่ตรงทางแล้วคนนั้นก็จะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ จะไม่เชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อเมื่อใครเริ่มมีศรัทธาอย่างนี้ขึ้นมานะมีความเชื่อมั่นในทิศทางที่ถูกเวลาคนนี้ไปปฏิบัติคนนั้นก็จะไปปฏิบัติอย่างที่ถูกต้องนะที่จะพาให้ตนเองเจเริญจริงๆเพราะนั้นแม้บางคนมีความเพียรมากนะมีศรัทธามากมีความเพียรมากถึงขั้นบางคนนี่สละทรัพยนะ์ทาวัตถุทานเนี่ย สลับสาระทราบอย่างมากมายมหาศาลจนกระทั่งกล้าถึงกันหมดเนื้อหมดตัวก็มีแต่ถ้ามันผิดที่ผิดทางแล้วเนี่ยทั้งหมดเนื้อหมดตัวด้วยหมดเนื้อหมดตัวจริงๆนะที่จะมาใช้สำนวนนี้เพราะบางคนเนี่ยไปศรัทธาเงี้นะศรัทธาแม้แต่พระก็ตามหรือบางคนก็ไปศรัทธาพระไปศรัทธาหมอดูเขาบอกว่าหมอดูนี้ทายแม่นทายเก่งนั้นก็เชื่อเขาจนกระทั่ง ศรัทธาน่าต้องไปเสียเงินเสียทองมากมายหรือแม้แต่เสียตัวก็มีมาแล้วข่าวข่าวก็มีมาเยอะแยะถึงขั้นนั้นยังมีเลยเพราะจะให้เห็นว่าเห็นไหมไม่เพียงแต่บางทีเนี่ยผลที่ได้รับมาเนี่ยซึ่งเราคิดว่าจะได้เป็นบุญได้เป็นกุศลไม่เลยมันกลับได้บาปมันกลับทําให้เรานี่ต้องเดือดร้อนบาปก็คือความเดือดร้อนคือสิ่งที่เราทําอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเดือดร้อนใจเดือดร้อนตัวในภายหลัง เห็นไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ตื้นนะมันก็ลึกอยู่ที่เราเนี่ยจะต้องเข้าใจให้ถูกตรงให้ได้แล้วก็เป็นตัวเริ่มด้วยพู้เจ้าเนี่ยท่านตรัสในหลายๆสูตรท่านก็เอาศรัท ธ, ธาเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวนําเลยว่าเราจะต้องมีศรัท ธ, ธานะแต่ต้องศรัท ธ, ธาอย่างสัมมาทิฏฐินะเพราะฉะนั้นวันนี้เดชอตมาจะเอาเรื่องของ ความเชื่อที่เชื่ออย่างสำ ม, มาทิฐิเนี่ยนะเป็นยังไงนะอย่างพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีตรัสเล่าชาดกนะอยู่เรื่องหนึง่งนะเรื่องมหาธรรมปาลชาดกนะเรื่องนี้พุทธเจ้าเนี่ยท่านครั้งที่ท่านเนี่ยเสด็จที่นครก บ, บินกพัสนนะท่านประทับอยู่ที่นิโครธารามนะท่านก็ตรัสถึงพระเจ้าสุโทธทนะนะท่านก็เล่าว่า ครั้งนั้นพระเจ้าสุดโทธนาถวายข้าวยาคูและของเคี้ยวข้าวยาคูนี่ก็คือพวกข้าวต้มนั่นเองนะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สองหมื่นรูปในพระราชนิเวศของพระองค์ mm hmm. เมื่อทรงกระทาสัมโมธ น, นียกถาในระหว่างพัะคำว่าสัมโมธนียกถานี่หมายถึงว่าพระเจ้าท่านก็ ตรัสอะไรอ่ะให้ให้เกิดความยินดีในการทําบุญทําทานอะไรเงี้ยนะก็เหมือนกับพูดคุยแล้วท่านก็ตรัสให้เห็นถึงผลบุญถึงการที่เราทําดีอะไรไปแล้วก็ให้เกิดปิตินะให้เกิดความยินดีในสิ่งที่กระทําต่างๆนะเขาก็เรียกว่าสัมโมทนียกถาในระหว่างพัดแล้วพระเจ้าสุทโททนะได้ตรัสว่า เวลาที่พระองค์ทำทุ ก, กทุกกรกิริยาด้วยความเพียรอยู่นั้นมีหมูเทวดามาบอกแก่หม่อมฉันว่าสิท ธ, ธาภูกุมารโอรสของพระองค์สิ้นพระชนเสร็จแล้วเพราะเสวยภักรยาหารน้อยคือพระเจ้าสุดโททนะเนี่ยท่านก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเพราะว่านิมนต์พระเจ้ามาฉันที่วังใช่มเสร็จแล้วก็เลยเลย ทูลให้ผู้เจ้าเนี่ยทรงทราบว่าเนี่ยมีเทวดาคําว่าเทวดาก็หมายถึงว่ามีมีคนนะคำว่าเทวดาหมายถึงว่าผู้ที่มีอะไรอ่ะมีการมีอยู่สุขมีอยู่สบายนะ mm hmm. เขาเรียกว่าเทวดาโดยสมมุติบทที่อาจจะมียอดมีฐานะมีความร่ํารวยมีความมั่งคัง่งนะนั่นอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นพวกเทวดาพวกหนึ่ง น, นหรืออีกพวกหนึ่งก็หมายถึงเทวดาที่หมายถึงว่าผู้ที่มีศีลผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะ ม, มีจิตใจเนี่ยสูงขึ้นประเสริฐขึ้นอันนั้นบางทีเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าเรียกพวกนี้ว่าเทวดานะแต่ในที่นี้พระเจ้าสุทโธทนะก็คงหมายถึงพวกพวกขาราชบริพารืยพวกคนร่ำรวยต่างๆนะก็มาทูลกับพระองค์ว่าเนี่ยตอนที่พู้เจ้าไป ออกบวชอนะแล้วก็ไปบําเพ็ญทุกกรกิกรรคติยานะปรากฏว่าตอนนั้นนะเนี่ยมีพวกนี้มาบอกกับพระเจ้าว่าไปมาบอกกับพระเจ้าสุโธธนะว่าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยว่าเจ้าชายศรีสถานเนี่ยตายแล้วเพราะว่าไปอดข้าวมัง่งไปฉั น, นน้อยมัง่งนะถึงแก่ความตายไปแล้วนางก็เล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังเมื่อรับฟังแล้วพระาศาสดาจึงตรัสว่ามหาบาพิษ พระองค์ทรงเชื่อเหรอือคือพระเจ้าทา่านถามว่าเออเนี่ยพอเทวดามาพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะเชื่อไหมที่เทวดาเหล่าเนี้ยมาบอกว่าเจ้าชายศรีสถทาตายแล้วเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะก็บอกว่าหม่อมฉันไม่เชื่อดอกพระเจ้าข่าแล้วยังห้ามเทวดาเสียอีกว่าพระโอรสของเรายังไม่ได้เป็นผู้พจ้าเจ้าแล้วเมื่อใด ก็ยังไม่ปรินิพานเมื่อนั้นนะปรากฏว่าพระเจ้าสุโธนะไม่เชื่อพวกเทวดาที่มาพูดเหล่านี้เลยนะกลับบอกว่าไม่มีทางอะเป็นไปไม่ได้หรอกไม่จริงหรอกนะจะจะต้องยังไม่ไม่ตายแน่ๆนี่ใช้ภาษาง่ายๆว่ายังไม่ตายแน่ๆบอกถ้าจะตายจะต่อเมื่อต้องบรรลุต้องเป็นพระเจ้าแล้วถึงจะตายถึงจะปรินิพานนี่พระเจ้าท่านก็นเลย ถามอีกว่านะตรัสว่ามหาบาพิธในบัดนี้พระองค์จะทรงเชื่อได้อย่างไรกันเพราะแม้ในครั้งก่อนพระองค์ก็เคยไม่เชื่อมาแล้วในครั้งนั้นนะเมื่ออาจารย์ที่สาปาโมกเอากระดูกมาแสดงบอกว่าบุตรของท่านตายเสียแล้วนี่กระดูกบุตรของท่านพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเชื่อคํากล่าวของอาจารย์นั้นเลยคือพระเจ้าเนี่ย พอพระเจ้าสุโธทนะท่านตัดม า, อาบอกมาอย่างนั้นแล้วใช่มผู้เจ้าก็บอกว่าก็ไม่เชื่อแน่นอนแหละเพราะว่าเรื่องในอดีตเนี่ยเคยมีมาแล้วนะคราวที่ผู้เจ้าท่านก็เลยก็บอกมาบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนนะั้นน่ะเอามีเรื่องอย่างนี้อย่างนี้มานะมีคนเอากระดูกมาให้ดูเสร็จแล้วก็ไม่เชื่อพอพูดมาอย่างนี้แล้วก็จบนะปรากฏว่าพระเจ้าสุโธทนะก็จึงทูนาราธนา ให้ทรงตัดเล่าเรื่องให้ฟังว่าวันนี้ที่พระเจ้าท่านพูดมาอย่างเนี้แล้วก็จบแค่ตรงนี้นี่มันเป็นมาอย่างไรล่ะพระเจ้าท่านก็เลยเล่ามานั่นนี่เรื่องที่พระเจ้าเนี่ยท่านทรงตัดเล่ามาในอดีตเนี่ยนะก็เราก็ถือว่าเป็นเรื่องชาดกนะว่าในอดีตตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพราราณสีได้มีบ้านธรรมปาราม อยู่ในแคว้นกาสีบ้านนั้นได้ชื่อชื่ออย่างนั้นเพราะเป็นที่อยู่ของตระกูลพราหม์ชื่อว่าธรรมบาล น, นะวันในหมู่บ้านเนี่ยชื่อว่าธรรมบาลหรือว่าธรรมบาลเนี่ยก็เพราะว่าพราม์ของที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเน่เรียกว่าทั้งตระกูลเลยนะเรียกว่า มีธรรมะถือศีลปฏิบัติธรรมก็เลยเรียกหมู่บ้านนั้นว่าธรรมบาลคือคืออะไรอะ่ะเป็นผู้ที่รักษาธรรมนะหรือว่ามีธรรมะรักษานั่นแหละนะและในตระกูลนั้นขั้นแม้แต่พวกทาดพวกกรรมกรนั้นะก็รักษาศีลถืออุโบสถห้อยง่ายหมู่บ้านนั้นอนะ่ะที่ชื่อว่าธรรมบาลเนี่ยหรือว่าธรรมปาระคำเนี่ยนะเพราะว่า ไม่ว่าจะพวกเจ้านายที่อยู่พวกผู้รับใช้พวกผู้ใหญ่พวกเด็กในบ้านในหมู่บ้านนั้นนี่ทุกคนพูดง่ายว่าถือศีลปฏิบัติรรหมดนั่นก็เลยได้ชื่อว่าหมู่บ้านธรรมธรรมปาลครั้งนั้นมีทารกเกิดในตระกูลธรรมบาปานได้นามว่าธรรมมาปารัรรารกุมาน คันเจริญวัยแล้วบิดาได้ให้ทรัพย์พันหนึ่งส่งไปเรียนศิลปะหนะ้าเมืองตากกาศิลาธรรมปานกุมารไปณนะที่นั้นแล้วเรียนศิลปะในสำนักของอาจารย์ที่สาปาโมกนะ่คือปรากฏว่ามีทารกคนนึงเกิดในตระกูลนี้นะแล้วก็ชื่อว่าธรรมปาลกุมารเสร็จแล้วพอเติมโตขึ้นใช่ไหมอา้าวพ่อแม่ก็ส่งไปเรียนที่ตกกิลา ให้เรียนกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่นั่นนะจนกระทั่งได้เป็นหัวหน้ามานพนะมานพนี่เขาใช้เรียกพวกเอ่อพวกบุตรของพวกที่เกิดในตระกูลพาราม์เนี่ยนะเขาจะใช้คําเรียกพวกคนหนุ่มๆพวกนี้ว่ามานพวันพอไปเรียนธรรมาปานกุมารเนี่ยไปเรียนจนกระทั่งเก่งนะมีความรู้มีความสามารถจนได้เป็นหัวหน้าของพวก พราหมหนุ่มทั้งหลายนะซึ่งประมาณ500คนครั้นเมื่อบุตรคนโตของอาจารย์ที่ธรรมปาลกุมารไปเรียนด้วยเนี่ยตายลงอาจารย์จึงทาชาปนากิจศพบุตรในป่าช้าทั้งอาจารย์ทั้งศิษย์และหมู่ญาติต่างร้องไห้ข่มควรอยู่หน้าที่นั้นมีแต่ธรรมปานกุมารคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ร้องไห้ไม่ค่มขวน ปรากฏว่าลูกคนโตของอาจารย์เนี่ยตายใช่ไหมก็เศร้าโศกเสียใจอาจารย์ก็แบบว่าทั้งสิทธิ์คนอื่นๆก็ร้องหมร้องไห้ทำพิธีศพกันยกเว้นธรรมปาลกุมารนี่คนเดียวเท่านั้นเองนะที่ไม่ได้ร้องหมร้องไห้เลยกับเขาเลยเมื่อมานบ500คนนั้นออกจากป่าช้าแล้วก็ได้พากันไปนั่งรำพันยอยู่ในสานักอาจารย์ว่าน่าเสียดายนัก ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยมารยาถเห็นปานนี้ต้องมาพลัพรากจากมารดาบิดาตายเสียแต่เมื่อยังหนุ่มทีเดียวคือใครๆก็เสียใจยเพราะว่าโอ้ยังหนุ่มอยู่เลยแล้วก็มาตายไปซะแล้วเพราะฉนั้นก็เสียดายแล้วก็ลูกคนโตของพราหมณ์ของอาจารย์คนนี้น่าก็เป็นคนดีด้วยน่เป็นคนที่อะไรอะ่ะมีความสามารถอะไรต่างๆมันก็เลย พูดง่ายว่าก็พูดถึงกันะนะเสียดายกันไปต่างๆนานาธรรมปานกุมารได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่า mm hmm. เพื่อนเอ๋ย mm hmm. ก็เหตุไร mm hmm. ก็เหตุไรเล่าบุตรของอาจารย์จิงได้ตายกันเสียแต่ยังหนุ่มที่จริงในวัยหนุ่มแน่นยังไม่ควรตายมิใช่หรือ mm hmm. คือธรรมปานกุมารก็พูดง่ายว่าสงสัยอะ่ะก็เลยพูดถามพวกเพื่อนๆไปว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะ ที่จริงนะคนยังหนุ่มอยู่ไม่น่าต้องตายทาไมทำไมำถึงมาตายตอนหนุ่มได้ยังไงมาโนบเหล่านั้นก็กล่าวตอบข้อสงสัยของธรรมปานกุมารว่าแน่เพื่อนท่านไม่รู้จักความตายของสัตว์โลกทั้งหลายดอกหรือคือบอกไม่รู้หรือว่าโธ่เอ้ยอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์ชนิดอื่นๆเนี่ยนะจะเด็กจะแก่จะหนุ่มอะไรตายได้ทั้งนั้นแหละธรรมปานกุมาร นะพอฟังแล้วก็ก็เลยบอกว่าเรารู้แต่ไม่มีใครหรอกที่จะตายยังหนุ่มนี่นะจะตายกันก็เมื่อแก่แล้วเท่านั้นมันน่าแปลกแลนะชักน่าสงสัยแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมธรรมปาลกุมาถึงบอกศาตว์โลกหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยตายตอนแก่ทั้งนั้นนะี่ยไม่มีถ้ายังเป็นหนุ่มอยู่หรือเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะบอกมาตายไม่มีหรอกนะชักชักไม่ตรงกับคนอื่นก็แล้ว ต่นี่พวกเรามานอบอื่นๆก็เลยสงสัยนะแล้วก็เลยพยายามพูดพยายามอธิบายให้กับธรรมปาลกุมารฟังว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีแล้วกลับไม่มีจะหนุ่มหรือแก่ก็ล้วนต้องตายทั้งสิน้นอาก็สาธยายให้ฟังเลยเต้องตายทั้งนั้นแหละครนนี้ก็พูดง่ายว่าก็เทศหรือว่าแสดงสัจจะต่างๆให้กับธรรมปาลกุมารเนี่ยฟัง ธรรมปาลกุมารก็ย้ําอีกว่าจริงสังขารไม่เที่ยงแต่สัตว์ทั้งหลายไม่ตายแต่ยังหนุ่มตายกันเมื่อแก่แล้วจึงจะถึงซึ่งความไม่เที่ยงก็ยังคงยืนยันอีกธรรมปาลกุมารบอกไม่มีหรอกต้องตายตอนหนุ่มทั้งนั้นนะเอ๊ะต้องตายตอนแก่ทั้งนั้นแหละตอนหนุ่มไม่มีตายก <c oughs> ็ยังยืนยันคํานี้กับเพื่อนเพวกเพื่อนเพื่อ น, อ, น, อ, นอีกทั้งทั้งที่ธรรมปาลกุมารไม่ใช่คนโง่นะแล้วก็เรียนกับอาจารย์เดียวกัน วัานอนจะต้องมีอะไรที่แตกต่างกันเกิดขึ้นแล้วมารตทั้งหลายก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าแนะ่เพื่อนธรรมปาละในเรือนของท่านคือในบ้านของท่านนะ่ะไม่มีใครตายหรือไงธรรมปาลกุมารก็ตอบอย่างชัดเจนว่าที่ตายนียมีแต่ว่าตายตอนหนุ่มเนี่ไม่มีเลยมีแต่ตายกันตอนแก่แล้วทั้งนั้น <c oughs> คือสำหรับที่ที่หมู่บ้านของ ธรรมบา ล, ลกุมารอยู่เนี่ยนะธรรมบาลบอกว่าไม่มีอ่ะมาเด็กมาหนุ่มตายไม่มีมีแต่ตายตอนแก่เท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นที่หมู่บ้านเขามานบทั้งหลายแปลกประหลาดจนอุทานว่าข้อนี้เป็นประเพณีแห่งตระกูลของท่านหรือคือหมายถึงว่าบอกเอ๊ะหมู่บ้านท่านมีมีจารีมีประเพณีอย่างนี้ด้วยเหรอเหมือนกับว่าสั่งกันได้เหรอบังคับกันได้เหรอว่าต้องให้ตาย ตอนแก่เท่านั้นน่ะแล้วตอนเด็กตอนหนุ่มนี่ไม่มีตายอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงธรรมปานกุมารก็ตอบว่าถูกแล้วนี่เป็นประเพณีแห่งตระกูลของเรามันน่าคิดนะว่าทาไมธรรมมาปานกุมารถึงบอกว่าใช่นี่อ่เป็นประเพณีของตระกูลเราหละหมู่บ้านเราเนี่ยจะตายแค่ตอนแก่เท่านั้นเพียงอย่างเดียวมานบทั้งหลายได้ฟังถ้อยคำยืนยันของธรรมาปานกุมารดังนี้แล้ว จึงพากันไปบอกแก่อาจารย์อาจารย์จึงเรียกธรรมปานกุมารมาถามว่าพ่อธรรมปาละได้ยินว่าในตระกูลของเจ้าคนไม่ตายกันแต่ยังหนุ่มจริงหรือธรรมปานกุมารก็ตอบว่าจริงท่านอาจารย์อาจารย์ฟังคําแล้วก็คิดว่ากุมาร น, นี้พูดอัศจรรย์เหลือเกินเราจะไปที่บ้านของบิดาของกุมาร น, นี้ถามดูถ้าเป็นจริงเราจะบําเพ็ญรม เช่นคนที่บ้านนั้นบ้างเอออาจารย์นี่ก็สมกับที่มีชื่อเสียงนะมีชื่อเสียงแสดงว่าจะต้องเป็นคนที่อะไรอ่ะมีการประพฤติหรือมีการปฏิบัติดีะนะถึงจะแบบว่าถึงจะมีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองตักกศิลาได้เพราะพอฟังลูกศิษย์บอกอย่างนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าคนอื่นๆมาบอกเนี้ยก็เอามาถามตัวเจ้าตัวจริงๆก่อน ถามเจ้าตัวจริงๆเจ้าตัวจริงก็ยังยืนยันอย่างนี้แทนที่จะคิดในแง่ลบใช่ไหมก็ไม่อ่ะคิดในแง่บวกเลยนะคิดในแง่ว่าเออถ้าสมมุติว่าธรรมปาลกุมารเนี่ยบอกมาเป็นความจริงนี่โอ้โหมันน่าอัศจรรย์นะมีอย่างนี้ด้วยเหรอตระกูลไหนที่จะสามารถทําให้คนนี่ไม่ตายตอนเด็กไม่ตายตอนหนุ่มแต่มีแต่ตายตอนแก่เท่านั้นใช่ไหมถ้ามีอย่างนี้จริงเนี่ยเอาละ่ะจะต้องไปพิสูจน์ไปสอบถามดู ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่จะทําตามเลยแหละทําตามว่าตระกูลนั้นก็ทํากันยังไงก็ถือศีลหรือว่าเขาปฏิบัติทำยังไงถึงได้มีแตผู้ที่ตายตอนแก่เท่านั้นไปสั่งสมบุญบา ร, รมียังไงนะถึงได้จะมีวิบากกรรมแค่ตายแค่ตอนแก่เพรา ะ, ะนั้นก็เอาเลยนะก็คิดอย่างนี้ขึ้นมาดังนั้นคันชาปนากิจศพ บ, บุตรเสร็จแล้วผ่านมาได้เจดแปดวัน ก็ได้เรียกธรรมปาลกุมารมาสั่งว่าแน่พ่อธรรมปาละเราจะไปทาธุระสักหลายวันเจ้าจงบอกสอนศิลปะแก่มานพเหล่านี้จนกว่าเราจะกลับมาก็ให้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาธรรมปาละกุมารไปด้วยแต่กลับบอกว่าให้อยู่เลยให้อยู่เฝ้าสำนักไวนะ้นะช่วยสอนลูกศิษย์ลุกหาต่อไปส่วนตัวเองนี่จะไปทาธุระ สั่งแล้วก็เก็บกระดูกแพะตัวหนึ่งนำมาล้างเอาใส่กระสอบไว้ให้คนรับใช้ผู้หนึ่งถือตามไปด้วยแล้วออกจากเมืองตักกศิลาเดินทางไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงแควนกาสีก็เที่ยวถามถึงบ้านของมหาธรรมปาระว่าอยู่หลังไหนเมื่อรู้แหล่งแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ประตูหน้าบ้านของธรรมปาลพรมพวกทาสของพราหม์ผู้ ผู้ที่เห็นก่อนคืออย่างนี้พอพอตกตใจจะไปที่บ้านธรรมปานกุมารแล้วใช่ไหมก็ไปเตรียมเลยไปหากระดูกมากระดูกอะไรกระดูกแพะเสร็จแล้วก็ล้างทําความสะอาดอย่างดีเลยแล้วก็เอาใส่กระสอบไว้เสร็จแล้วก็เดินทางไปหาจนกระทั่งเจอที่บ้านเลยแล้วก็ป่วยง่ายไปเคาะประตูบ้านนะปรากฏว่าพวกทาตของอ่าพวก คนรับใช้พวกกรรมกรพวกอะไรต่างๆในบ้านของของธรรมปาลกุมารเนี่ยใช่ใครเห็นก่อนเนี่ยก็ออกมาต้อนรับนะมารับร่มมารับรองเท้าจากมือของอาจารย์แล้วก็รับกระสอบนะจากมือของของคนรับใช้ที่อาจารย์พาไปด้วยเมื่ออาจารย์กล่าวว่าพวกท่านจงไปบอกบิดาของธรรมปาลกุมารว่าอาจารย์ของบุตรท่าน มายืนอยู่ที่ประตูนี้แล้วนะพวกทาศกรรมกรก็รับคําว่าว่าสาธุนาเลงนะว่าดีแล้วแล้วก็พากันไปบอกพราม์ณนะพรามจึงรีบไปที่หน้าประตูเชื้อเชิญว่าเข้าไปข้างในก่อนเถิดท่านอาจารย์แล้วก็นําอาจารย์ขึ้นเรือนทํากิจทุกอย่างมีล้างเท้าให้เป็นต้นคือเขาเคารพ เขาเคารพเ้าศรัทธาใครแล้วเนี่ยใช่มก่อนจะขึ้นเรือนเนี่ยถือว่าเป็นอาจารย์ของเป็นครูของของลูกของตนเองใช่มเพราะนั้นก็จะล้างเท้าให้อาจารย์แล้วก็เชิญอาจารย์ขึ้นไปบนบ้านเมื่อให้อาจารย์บริโภคอาหารแล้วก็เอาอาหารอะไรมาต้อนรับอย่างดีนะพอกินอาหารเสร็จแล้วก็นั่งสนทนากันอยู่ตามสบายอาจารย์ก็ลอง กล่าวว่าท่านพราหมณ์ธรรมปาลกุมารบุตรของท่านเป็นคนมีสติปัญญาดีเรียนจบไตเพศและศิลปะ18ประการแล้วแต่โชคร้ายได้ตายเสียแล้วด้วยโรคอย่างหนึ่งโอสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงท่านยาเศร้าโศกไปเลยนะคือพูดง่ายว่าอาจารย์นี่แกงและแกงลองดูนะบอกว่าจริงๆเนี่ยลูกศิษย์ท่านเก่งนะเรียน ศิละปะความรู้จากผมนี่ก็หมดแล้วนะตอนนี้นี่ปรากฏว่าเกิดตายไปซะแล้วว่าเนี่ยไม่รู้มันยังไงเนี่ยถึงได้ตายไปนั้นก็บอกก็ปลอบใจพ่อของธรรมปาลกมากว่าอย่าเศร้าโศกเสียใจนะแต่หน้าแปลกใจยิ่งนักพอสิ้นคําของอาจารย์พรามนั้นกลับตบมือหัวเราะดังลั่นแล้วตอบว่าลูกฉันยังไม่ตาย ที่ตายนั้นจะต้องเป็นรูปของคนอื่นแน่คือแทนที่พ่อของธรรมปาลกุ ม, มานจะอกสั่นขวัญแขวนจะรู้สึกว่าอย่างน้อยก็น่าจะสะดุ้งนะหรือน่าจะตกใจเพราะนี่ไม่ใช่คนอื่นมาบอกนี่เป็นอาจารย์ของลูกตัวเองมาบอกบอกว่าตายแล้วนะลูกลูกของท่านนี่ตายแล้วนะแต่แทนที่จะรู้สึกสะดุ้งสะเทือนอะไรไม่เลยกับขำขำพูดง่ายกับขำขำทุเรซ้ำไปนานแล้วก็บอก แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าถ้าตายนั่นต้องเป็นลูกคนอื่นแนะ่ไม่ใช่ลูกของของตัวเองนะตอนนี้อาจารย์ก็เลยยิ่งสงสัยอย่างเลยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะก็เลยถามว่าท่านพราหมณ์นี่ท่านจงดูกระดูกบุตรของท่านเถิดแล้วก็จะเชื่อนะก็ยิ่งเอาหลักฐานมาเลยเอากระดูกที่เตรียมปลอมมาไว้เนี่ยนะเอามาให้ให้พราหมณ์ดีดู แล้วนำกระดูกนะออกมาจากถุงพรามเห็นแล้วก็กล่าวว่านี่คงจะเป็นกระดูกอื่นนะจะเป็นกระดูกแพ้กระดูกสุนักซะมากกว่า